ขอน้อมน้อมต่อคุณพระตนตาไตรขโอกาสหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อลมอาจารย์ย่กิเพื่อนสาตวธ ร, รมิกทุกท่านอาจเจริญในธรรมม่ทีและญาติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันวันพระนะวันพระซึ่งเป็นวันพระใหญ่ก็เป็นวันที่พระสงฆ์ก็ลงปฏิโมกกันตามพระวินยัยซึ่งในสมัยก่อน สมัยก่อนนั้นในสมัยที่พระเจ้ายุคใหม่ๆนั้นก็ยังไม่มีการมาประชุมร่วมกันในวันพระนะไม่มีวันพระนะก็คือไม่มีการมาร่วมกันทํำกิจกรรมร่วมกันนะตอนหลังพระเจ้าพิมิสานก็เห็นว่าออมีนักบวชในบางลัทธิเนี่ยนะกวันวันที่พระจันทร์ขึ้นนะมารวมกันนะก็เลยเสนอพระพุทธเจ้า ว่าพร ะ, ะเขาควรจะมาประชุมร่วมกันในวันวันเพนนะ็ญสักครั้งหนึ่งนะพระเจ้าก็ทรงเห็นด้วย<ม>ก็เลยจัดให้มีการประชุมร่วมกันนะในวันเพน็ญหรืวันขึ้นสิบห้าค่ำนะขึ้นมาเมื่อมีการประชุมแล้วนะในสมัยใหม่ๆก็เป็นการนั่งเฉยๆนั่งปฏิบัติธรรมกันเฉยๆนะนะพระเจ้าทรงเห็นว่า นั่งเฉยแล้วเนี่ยอาจจะประโยชน์น้อยลงไปงก็เลยมีการแสดงปฏิโมกขึ้น้นะโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นองค์แสดงพระปาฏิโมกข์เองในสมัยนั้นนะเพื่อเป็นการทบทวนพระวินัยให้แก่พระเนี่ยจะได้รูนะ้ในข้อพระวินัยต่างๆจะได้ไม่ทำผิดพลาด ก็เป็นวันนี้มาเรื่อยๆนะจนกระทั่งครั้งหนึ่งนะปรากฏว่าเป็นวันที่จะต้องแสดงปริโมกแล้วเนี่ยปรากฏว่าพระเจ้าก็ไม่ออกมาแสดงธรรมไม่แสดงปริโมกข์รนะอพระภิกษุก็ร อ, อไปจนถึงยาม3ามนะพระนลก็ไปไปเตือนพระพุทธเจ้าบอกว่าได้เวลาที่พระองค์จะแสดงปริโมกแล้วนะ พระเจ้าบอกว่ า, ามีผู้ที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในที่ประชุมก็ไม่แสดงจะไม่ออกไปแสดงนะก็ร้อนถึงพระมคคัลนะพระโมคคัลนะก็ใช้ท่านก็มีหลายๆอย่างที่สามารถรู้ไนดะ้ก็ตรวจดูแล้วก็บอกว่ า, ารู้แล้วว่าใครไม่บริสุทธิ์ให้ออกจากที่ประชุมนะพระนั้นก็ยังไม่ออกไปนะพระโมคคัลนะ ต้องลุกขึ้นไปจูงมือนะจูงมือให้ออกจากที่ประชุมนะแล้วเมื่อออกไปแล้วเนี่ยพระนนทก็ไปกราบนิมนต์พระพุทธเจ้าอีก พ, พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีเลยนะที่ถึงจะต้องฉุดมือกันออกจากที่ประชุมนะเพราะฉะนั้นต่อไปก็มอบเป็นหน้าที่ของสง์ให้สงเนี่ยมีหน้าที่แสดงปาณิโมกันเองพระพุทธองค์ก็จะไม่ออกมาแสดงปาณิโมกต่อไปแล้วนะ เพราะนั้นหลังจากนั้นมา <c oughs> ก็เป็นพรูเจ้าก็ไม่แสดงปริโมกต่อไปนะแต่ว่าพระพิสุทสงฆ์เนี่ยก็จะทำหน้าที่กันนะก็คืออาจจะมีพระองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แสดงปริโมกในถ้มกลางสงฆ์นั้ น, นการแสดงปริโมกนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะเพราะว่า พระวินัยนี้เป็นสิ่งที่ว่าจะเจริญความศรัทธาให้แก่ผู้ที่พบเห็นนะถ้าหาว่าพระไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องร้อยลัดแล้วเนี่ยก็จะเสื่อมอย่างรวดเร็วนะรวดเร็วมากนะยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้นะพระวินัยนี้จริงๆก็ไม่มีข้อกฎหมายที่จะไปบังคับว่าเออใครไม่ทําพระวินัยใครไม่ทําตามพระวินัยนะก็จะต้องโดนลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่ง นะเพราะนั้นผู้ที่ไม่รักษาพระวินัยเนี่ยนะจึงมีเยอะมาก <c oughs> แต่เมื่อต้องมอีข้อพระราชบัญญัติของบ้านเมืองขึ้นมาคุ้มครองอีกทีหนึ่งนะจึงจะมีผู้ที่รักษาอย่างแท้จริงน ะ, ะทุกวันนี้ก็กฎหมายของบ้านเมืองก็มาลงโทษนะผู้ที่ทำผิดซึ่งเป็นลักษณะของโลกาวัชชนะ โลกาวัชชานี่จริงๆก็ไม่ถึงกับทําผิดพระเวัยร้ายแรงนะเช่นผู้ใดดื่มเหล้าเนี่ยถ้าโดนจับได้ก็ยังโดนโดนศึกนะซึ่งการดื่มเหล้านี่จริงๆก็เป็นความผิดอาบัติเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะแต่โลกาวัชชาก็คื อ, อสังคมไม่เห็นด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ควรที่จะทำนะก็สามารถที่จะศึกได้อันนี้เป็นการลงโทษนะโดยทางบ้านเมืองนะเพื่อให้เกิดความเกรงกลัว หรือบางทีการสูบบุห ร, นะรีนะสูบบุหรีนี่ทุกวันนี้สังคมก็มองว่าไม่ดีนะตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอตอนนั้นอ่ะาก็เจอผ่านไปก็เจอรถคันหนึ่งรู้สึกจะเป็นรถตู้หรือเปล่าก็มารบเสียอยู่พระนี่ลงมายืนสูบบุหรีมันแถวเลยตอนนั้นโอ้ดูแล้วแบบดูแล้วไม่ไ ม, ไม่ไม่งามจริงๆนะเอะขนาดสูบบุหรีนี่ก็ไม่มีใครจับได้ว่าเออจับแล้วต้องสึกหรือต้องโดนลงโทษ แต่เป็นสิ่งที่ไม่งามนะสังคมเขก็มองในจุดนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าโลกกว้าชาในจริงๆแล้วความผิดนี่ถ้าในทางทำบินัยเนี่ยก็เล็กน้อยแต่ในทางโลกเนี่ยถือว่าร้ายแรงมากนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ว่านักบวชทั้งหลายเนี่ยก็ต้องพึงระวังในจุดนี้ให้มากนะเพราะว่าอบางทีเราทําแล้วเนี่ยนึกว่าไม่มีใครเห็นแต่ว่าอาจจะมีคนเห็นได้เนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นนินทาหรือว่า ทำให้ความศรัทธาในศาสนาเสื่อมไปนะเพราะฉะนั้นการที่ประชุมสงฆ์กันแล้วก็สวดปริโมกนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเลยอย่างหนึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีที่ว่าวัดเราเมีการสวดปริโมกเป็นภาษาไทยนะหรือเป็นภาษาไทยที่เราฟังรู้เรื่องนะอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นอาตมาก็เคยอยู่วัดหลายวัดนะเคยผ่านมาเยอะเลยแต่ว่าสมมาก็ยาก่าสวดแบบนะเป็นภาษาบาลีกัน แล้วก็สวดเร็วมากนะคือให้คนที่จบบาลีมาไม่รู้จะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะสวดเร็วมากจริงๆแล้วก็ทําเวลาแข่งกันนะใครสวดเร็วที่สุดทําเวลาน้อยสุดคนนั้นเก่งที่สุดนะเราจะไปฟังรู้เรื่องได้ยังไงนะเป็นบาลีด้วยนะขณะเนี่ยเป็นบาลีแล้วเหมือนกับว่าสวดเร็วนะเพราะฉะนั้นการที่ทํามันก็เหมือนว่าทําตามก็เรียกว่าทําตามอขนบธรรมเนียมนะหรือเป็นประเพณีนะ เท่านั้นเองนะไม่ได้ว่ายังจุดหมายของพระองค์ให้ตรงกับจุดประสงค์จริงๆว่าต้องการให้พระในทบทวนปรนิโมกันนะแต่การปไปฟังแบบฟังฟังแบบตามขนบธรรมเนียมเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้น น, น, นี้ก็ไม่ตรงกับจุดประสงค์นะแต่วัดเรานี่ก็ดีมีการทบทวนพระวินัยเป็นภาษาไทยนะนี่ก็ถือว่าถูกต้องแล้วตามพุทธประสงค์นะบางวัดนี่ก็ใช้วิธีอยังงี้ยิ่งหนักใหญ่ที่ฟังแล้วก็ ใช้วิธีสวดทั้งบาลีด้วยแล้วภาษาไทยด้วยแล้วก็ยาวนานมากเลยกว่าจบอู้อันนี้ก็ใช้เวลานานนะเพื่อที่จะรักษาว่าเออบาลีแล้วก็สวดเพื่อเพราะบาลีนจริงๆก็มีความสําคัญว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมในในตั้งสมัยนั้นแล้วเนี่ยก็คือส่วนใม่เมื่อสมัยก่อนเป็นแบบไรนะก็ไม่มีการเปลี่ยนแม้แต่คําเดียวนะนี่ถือว่ารักษาต้นฉบับเอาไว้นะเพราะถ้าเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ย มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในทีหลังได้เออวัดนี้เห็นว่ามันไม่ถูกต้องหรือว่าอย่างไหนแต่งแล้วจะเพราะกว่าหรือแต่งวิธีนี้อาจจะน่าจะดีกว่าก็จะแต่งกั้นขึ้นมาทีหลังก็ได้อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆก็ไม่ได้ษาต้นฉบับไว้พระบองวัดก็เลยสวดทั้งสองอย่างเลยทั้งบาลีทั้งภาษาไทยเลยนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่าสามารถที่จะทําทได้อยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการที่จะส่งเสริมทั้ง2องอย่างนะ อันนี้ก็สิ่งที่พระก็มาลงปฏิโมกในจุดนี้นะอันนี้คันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าเออในช่วงในเป็นช่วงที่เข้าบรรษาแล้วเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นปักแรกนะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่ปฏิโมกปฏิโมกแรกหลังจากที่วันเข้าบรรษามาแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านมาครึ่งเดือนนะ การ น, นี้การที่เราผ่านมาในระดับนี้นะมันก็เหลื อ, อแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นนะเดือนครึ่งก็ถือว่าไม่นานนะครั้นี้เป็นสิ่งที่ว่าเราควรจะตั้งเป้าหมายอย่างไรนะในชีวิตใน2เดือนครึ่งนะต่อไปนะเพื่อความไม่ประมาทในการที่เราจะใช้ชีวิตนะในการที่เราจะมาอยู่วัดแห่งการปฏิบัติธรรมนะครันนี้สิ่งเนี้ยก็คือหมายความว่า เป็นสิ่งที่เราต้องตั้งเป้าหมายให้ดีเพราะถ้าเราตั้งเป้าหมายไม่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะเคลยไปนะบางทีเช่นเราเรามาบวชเรากตต็ตั้งเป้าหมายว่าเออมาบวชวัดเนี่ยเพื่อเหตุอะไรนะไม่ใช่พอมาบวชเข้ามาปั๊บนะก็เกิดสังคมขึ้นมานะเกิดสังคมก็ไปติดสังคมนะเกิดการคุกคีกันนะอันนี้ก็ถือว่าประโยชน์น้อยนะ ประโยชน์น้อยเพราะนั้นนักบวชในที่นี้หมายความว่าทุกๆคนนะไม่ใช่จะเพลาพลาอย่างเดียวนะก็ต้องดูเป้าหมายว่าเราเนี่ยมาอยู่วัดเพื่ออะไรนะแล้วก็ทําเป้าหมายนั้นให้ชัดเจนนะไม่ใช่ก็เคว้ไปทางนูน้นเขว้ไปทางนี้นะอันนั้นก็ทําให้เราเนิรนช้านะเนิรนช้านะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราพวกเราเนี่ยทุกค น, นถือว่ามีโชคดีเป็นอย่างยิ่งนะถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่าที่ฟังดูหลายๆคนนี่ก็อยากมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมกันแต่เขาไม่มีเวลานะ บางที่ต้องหาเวลาวันสงการบ้างวันปีใหม่บ้างามาอยู่วัดนะแต่ว่าผู้ที่เป็นนักบวชแล้วถือว่าโชคดีนะและอย่างนึงเป็นการทำให้เป็นกา ร, เรีาเราเปิดโอกาสให้ตัวเราเองนะทำให้กิเลยเราเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงทําได้ง่ายนะเหมือนกับที่พระเจ้าได้ทรงเปรียบเทียบไว้เป็นสารประเภทก็คื อ, อไม้นะไม้เนี่ยถ้าหากว่าเป็นไม้ที่มียางอยู่นะแล้วแช่อยู่ในน้ำเนี่ย จะสีไฟเท่าใดก็ไม่ติดนะไม้ที่มียาก็หมายถึงว่าผู้ที่มีกามลาคะในใจนะมีความยินดีในรูปลดกลิ่นเสียงเนะี่ยแล้วก็ไปอยู่ในที่มีน้ำก็คือที่ที่เกลือกลอกล่อนกล่นเกลื่อนกลนไปด้วยกามราคะ เ, เช่นที่บ้านของเราเป็นต้นเนี่ยก็อยู่กับสามีอยู่ภรรยาอยู่กับบุตรธิดาก็คือเกลื่อนกล่นนะแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่เรียกว่า มันไม่ไม่อื้อต่อการปฏิบัติธรรมนะพอเต็มไปด้วยสิ่งที่ยั่วยั่วนะมีวิทยุมั่งโทรทัศน์มั่งอินเทอร์เน็ตนะเครื่องให้ความบันเทิงต่างๆนึกจะรับประทานเลยกะทานนึกจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอันนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบนะเกื่อนกลนอยู่ในสิ่งที่ว่าแวดล้อมไปด้วยการ ม, มาฉันทะคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในน้ำนะผู้ที่อยู่ในที่บรร น, นี้ก็ว่าปฏิบัติอ่านะ ปฏิบัทำเท่าใดก็ไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมนะแล้วก็ทรงเปรียบเทียบในระดับที่สองก็คือเป็นไม้ซึ่งมียางเปียกชุ่มนะแต่มาวางไว้บนบกนะก็สีไฟไม่ติดอีกเหมือนกันนะก็คือไม้มียางก็คือผู้ที่นะเกลื่อนกลนในจิตใจของตัวเองนะแต่มาโดยการมาฉันทะนะยินดีในรูปรถกินเสียต่างๆนะ แต่ว่ามาอยู่ในที่แห้งนะอยู่ในที่แห้งก็คือได้อยู่มาอยู่วัดเป็นต้นนะเลยอยู่ในสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆนะอันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในสถานที่ที่สปายะนะถ้ามาอยู่เช่นนี้แล้วเนี่ยก็ยังสีไฟไม่ติอยู่ดีนะเพราะว่าจิตใจเนี่ยยังหมกมุ่นอยู่ในกามฉันทะนะอันนี้จึงเป็นจุดที่ว่าเราต้องกลับมาดูตัวเองว่าเออเรามาอยู่วัดแล้วเนี่ยคืออยู่บนที่แห้งแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ย ยังเป็นจิตที่คล้องอยู่ในกามฉันทะมากไหมหรือว่าไปสแสวงหามันอีกนะะก็เรียกว่าจิตเนี่ยยังมีมียางอ ย, อยู่มียางอยู่นะคาว่าสแสวงหาก็หลายๆประการน ะ, ะเช่นการที่เราสแสวงหาในทางรูปนะต้องไปดูรูปอย่างไรในความพอใจนะการได้ยินเสียงต่างๆก็คือการไปคลุกคลีนั่นเองนะคลุกคลีในสิ่งที่เราพอใจนะ หรือว่าบางทีบางคนอาจจะมีอินเทอร์เน็ตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นมันก็เป็นหุนท้ายให้เกิดการฉันทาได้ทั้งนั้นนะแล้วอันตรายยังยิ่งด้วยในจุดนี้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าเออเราต้องกลับมาพิจารณาดูว่าเรามาอยู่บนที่แห้งแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยยังเหมือนกับไม้ที่ยังเปียกชุ่มแน่ น, น, ด, นด้วยยางอยู่หรือเปล่านะเพราะนั้นอันนี้จะสีไฟเมติแน่นอนน ะ, ะส่วน ประเภทที่สนะพระพุทธองค์บอกว่าสามารถที่จ ะ, ะสีไฟได้ติดนะก็คือผู้ที่คือไม้นะไม่มียางนะแล้วก็มาอยู่บนที่แห้งเนี่ยสามารถที่จะสีไฟให้ติดได้โดยที่ไม่ต้องใช้ความพยายามมากเท่าไหร่นะก็คือเมื่อเราได้มาอยู่บนที่แห้งคือได้มาอยู่วัดหรือสถานปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราก็พาดจิตของเราเนี่ยออกจากกามนะออกจากกามมาชันทะก็คือตาเนี่ยก็อย่าไป สนใจที่จะไปดูรูปนะหรือไปยินดีในรูปที่สวยงามหรือไปยินร้ายในรูปที่ไม่พอใจนะหูก็เหมือนกันนะก็อย่าไปสนใจที่จะฟังเสียงที่เพเะหรือเสียงที่ไม่เพลราทั้งหลายแหล่นะจมูกนะก็อย่าไปสนใจที่จะไปหาดมกลิ่นที่งามๆซี่หอมๆนะลิ้นนะก็ไม่ต้องไปแสวงหารสชาติของอาหารที่มันอร่อยนะบางทีเรามาอยู่วัดนี่เราก็ต้องเออพึงสารวจในจุดนี้นะว่า อาหารที่วัดเนี่ยถือว่าดีมากแล้วเนี่ยนะถ้าไปคิดถึงว่าเมื่อก่อนเราเคยรับประทานอาหารที่อร่อยกว่า น, นี้เราก็าจะมีความทุกข์นะเพราะที่สัมผัสมาก็มีบางคนเออไปสแสวงหาอาหารพวกนั้นนะแล้วก็มีความทุกข์เมื่อมีความทุกข์แล้วจิตก็ก็มีการดิน้นรนนะดิน้นรนที่จะไปสแสวงหาอาหารเหล่านั้นอีกนะนะก็เลยอยู่ไม่ได้นานทํานองนี้นะเพราะฉะนั้นบางคนถ้าไม่จําเป็นแล้วอยู่วัดเนี่ยพยายามอย่าไปไหนในดีที่สุดนะโดยเพรพระวินยัยบอกว่ า, วาเออ เมื่อในภาษาเนี่ยห้ามไปค้งคืนที่อื่นนะนอกจากมีเหตุจำเป็นก็ให้ ส, สัตตาหะไปได้ไม่เกินเจวันอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าผู้ที่มีอินทรีย์ที่ยังไม่กล้าแข็งเนะี่ยยังทนต่อการ ม, มาฉันทะที่มาทางความคิดต่างๆของเราไม่ได้เองนะหรือในรูปรสกลิ่นเสียงที่มากระทบไม่ได้เนี่ยก็จะดิ้นรนออกไปภายนอกนะพอไปภายนอกปุ๊บไปสัมผัสสิ่งที่เราเคยชินนะเคยชินในระหว่างที่เราเป็นฆรวาสอยู่ พอจิตไปเคยชินปั๊บเนี่ยจิตก็จะได้ลนกลับไปหาในสิ่งนั้นอีกนะพอมาอยู่วัดอีกทีนึงก็เกิดความร้อนขึ้นมาเกิดความร้อนก็อยู่ไม่ได้ในตรงนี้นะเพราะฉะนั้นในตรงนี้คือหมายความว่าในภราษาเนี่ยก็ไม่มีการที่จะไปไหนอีกต่อไปก็คืออยู่วัดตลอดเลยเราจะมีเหตุจําเป็นจริงๆนะซึ่งก็มีพูดไว้เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นนะถ้าไม่มีเหตุจริงๆก็คือไม่ไปไหนนะแล้วถ้าไม่มีเหตุจริงๆก็ไม่มีความจําเป็นจริงก็คือไม่ต้องไปที่ไหนด้วยแม้จะไม่ได้ไม่ได้ไปค้างคืนนะ เช่นไปในตามตัวเมืองต่างๆหรือไปในนอกวัดที่มันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปนะเพราะสิ่งเหล่านั้นถ้าอินทรีย์ไม่กล้าแข่งแล้วเนี่ยมือทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆมันก็จะใจปรุงแต่งไม่ได้ง่ายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องป้องกันเอาไว้ในตรงนี้นะคือทีว่านักนักปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ลังต้องขดข ด, ข ด, ขดอายตะนะคือ ตาหูวจมปลิ้นกายเนี่ยต้องหดเข้ามาไม่ใช่ไปสแสวงหามันก็เ ต, านะตเ่าเต่ารากว่าเต่าเนี่ยถ้าหากว่าไปเจอสุนัขจิ้งจอกแล้วเนี่ยถ้ายื่นอวัยวะส่วนใดออกไปนอกกระดองนะก็จะเป็นอาหารของสุนัข ก, กิ้งจอกทันทีนะยื่นหัวยื่นขายื่นหางอะไวโดนสุนัข ก, กินทีนะอันนี้ก็ให้นักบวชเนี่ยก็ต้องเหมือนกระเต่านะก็ต้องหดอายันณะทั้งหลายเนี่ยเข้าไปอยู่ในตัวก็คือสำรวมนั่นเองนะอะไรที่ไม่ต้องไปมองมากก็ไม่ต้องมอง อะไรที่ไม่งได้ยินก็ไม่ยังเป็น้องได้ยินนะไม่ต้องไปสแสวงหาในสิ่งต่างซึ่งมันจะเกิดกิเลสขึ้นมานะอันนี้ก็จะจ ะ, จะทำให้เราเกิดความสำรวมขึ้นมาได้ด้วยแล้วเกิดความสวยงามนะเกิดความน่าศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วก็เป็นเหตุให้จิตใจของเราเนี่ยเข้มแข็งขึ้นนะแล้วก็จะทำให้การปฏบัติธรรมนี้ก้าวหน้าขึ้นนะ น, นี่ก็คื อ, อจุดสาคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะในการที่จะมาอยู่วัดนะ เพราะนั้นถ้าทำในแบบนี้แล้วนะก็เหมือนกับเป็นไม้แห้งเออเป็นไม้ที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่มียางอยู่นะเป็นไม้แห้งเนี่ยแล้วก็อยู่บนบกด้วยเนี่ยสามารถที่จะสีไฟให้ติดได้โดยใช้เวลาไม่นานนักนะอันนี้ก็เป็นที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดอาไว้นะเพราะฉะนั้นผู้ที่มาอยู่วัดแล้วเนี่ยก็คือได้มาอยู่บนที่แห้งแล้วนะเพียงแต่เราทําจิตของเราเนี่ยให้อา่าอย่าไปยินดีหรือไปสแสวงหาในกวามฉันทะเท่านั้นเองนะเราก็มีโอกาสที่จะสีไฟได้ติดไม่ยากนักนะไม่ยากนัก เพราะในภ ร, รษานี้ก็คือเราต่างคนต่างก็สีไฟกันนะใครขยันสีไฟก็มีโอกาสที่จะติดไฟได้เร็วนะแต่ถ้าใครไม่ขยันสีไฟหรือนานๆสีทีหนึ่งนะหรือสีบ้างหยุดบ้างมันก็ไม่ติดไฟขึ้นมาสักทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็คือปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องเหมือ น, นที่เป็นหลวงพ่อตอนนั้นพระอาจารย์ไปสายวิซาโลเนี่ยก็ไปอยู่ที่วัดสนามในใหม่ นะก็ถามหลวงว่าเทียมมาว่า อ, อจะไปบัติเวลาไหนได้บ้างหลวงว่าเทียมมาว่าให้ปไปบัติตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยนะก็คือให้ไปบวชที่ต่อเนื่องทั้งวันนะถ้าทำได้แบบนี้ก็จะก้าวหน้าขึ้นนะมันก็ก้าวหน้าได้เร็วเพราะว่าปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเออมายกมือสร้างหวาหรือเดินจงกรมเท่านั้นนะนั้นน้อยไปนะน้อยไปแต่ถ้าเราทำตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะ จนกทั่งนอนหลับไปเลยเนี่ยอ่าคือต้องตื่นยันหลับเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการทําในท้องวันเหมือนกันนะสมัยแรกๆที่อาตมาฝึกใหม่ก็ใช้วิธีเออเวลาตื่นนอนปั๊บเนี่ยต้องรู้สึกตัวก่อนนะเราค่อยลุกเออเราค่อยลุกขึ้นมานะแต่ถ้ายังไม่รู้สึกตัวก็ไม่ลุกก็คือตื่นปั๊บเนี่ยลืมตาปุ๊บเราต้องรู้สึกตัวก่อนเออขยับให้มันรู้สึกตัวก่อนนะอ่านะกระดิกอะไรให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนนะเราหลังจากนั้นก็ลุกขึ้นมาอ่านะ จุดเทียนนะสมัยอก่อนอยู่กูสิบบนเขาเนี่ยไม่ไม่มีไฟจุดเทียนนี่ก็รู้สึกตัวไปด้วยนะยังจําได้เลยตอนจุดเทียนยมันรู้สึกตัวชัดมากเลยตอนจุดเทียนนะจุดเทียนเสร็จแล้วก็ไปทําพับผ้าหม่มพับแล้วมันก็รู้สึกตัวได้ต ล, ต ล, ตลอดเพราะว่าเราเริ่มตนนั้งแต่เราลืมตาตื่นมาแล้วเนี่ยเราก็ให้รู้สึกตัวก็เราเราค่อยลุกเนะีมันก็เลยพอทํากันได้มันก็เลยต่อเนื่องกันมาได้ได้นานขึ้นนะ อันนี้ก็คือตั้งอะตุนนอนเนี่ยเราทําได้ได้ตลอดเมื่อดีนะแต่ไม่ว่าเราต้องทำได้ตลอดเวลาแต่หมายความาเราทำให้ใหมันให้เรื่อยๆให้ต่อเนื่องเท่าที่เราจะรู้ได้ก็แล้วกันนะเพราะถ้าเราทําตลอดเวลามันไม่ได้หรอกนะก็ <ๆ S 2> คืออยายมันเผลอนานก็แล้วกันนะเผลอแป๊บนึงเราก็รู้แล้วเออก็กลับมาเผลอแล้วก็รู้แล้วก็กลับมาเนี่ยมันก็เร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจที่ว่าเราจะทําให้ต่อเนื่องมันก็เร็วกว่าที่เราจะทําเป็นเวลาใดเวลาหนึ่งนะก็คือทํา โอกาสไหนที่มันรู้สึกตัวก็กลับมาโอกาสไหนรู้สึกตัวก็กลับมารู้สึกตัวโดยเพราะพระเนี่ยมีมีโอกาสที่ดีนะโดยเพราะเวลาไปบินนบาตเนี่ยโอ้เป็นเวลาที่ดีมากเพราะเราได้มีโอกาสที่เดินจงกรมนะเป็นการปฏิบัติที่สามารถที่จะกระทบรูป κ, เสียงต่างๆที่มากระทบนะเช่นใครไปบินนบาต ท, ที่ท่ามาไฟนะก็จะกระทบรูปกระทบเสียงต่าง ๆ, างๆนี่เยอะเลยนะครั้นี้เมื่อกระทบแล้วเนี่ยเราเพลินไหมเราไหลไปไหม หรือไหลไปนานไหมอ่าหรือเรารู้สึกตัวไหมว่าขณะนี้เราเพลินไปนะรู้สึกตัวไหมขณะนี้เรากำลังยืนกํลาลังเดินอยู่นะเสียงต่างนี้เราสามารถที่จะกลับมาได้เร็วไหมนะอันนี้ก็คือข้อทดสอบอย่างหนึ่งอ่เวลาไปบินนาบาัดก็อย่าให้บินนบัตแบบอ่าเป่าๆนะเราก็ใช้โอกาสเนี่ยมาอ่าที่จะอ่าเป็นการปฏิวัตินอกรูปแบบว่าเราไปเพลินกับเสียงต่างๆไหมท้งต า, ต า, ท, งตาทั้งหูสิ่งต่างๆแล้วเนี่ย หรือเพลินไปในความคิดไหมนะกลับมาให้เร็วนะหรือเวลารับประทานอาหารนี่ก็ถือเป็นเวลาปฏิบัติธรรมที่ยากที่สุดนะเพราะเวลาทานอาหารคือเวลาที่มันเพลินเพลินไปในความเมล็ดอร่อยน ะ, ะเมลอร่อยอาจารย์ไปสารเคยบอกว่าทานอาหารเนี่ยคนเราเนี่ยจะมีความสุขในตรงนี้มากแล้วมันก็จะเพลินนะเพราะเป็นวันนึงเราสมัุจะทานได้แค่าครั้งสองครั้งเนี่ยแล้ววาเพลินในรสอาหารนะคราวนี้ถ้าเรา นะอาจารย์ไปสายก็ไม่ไม่กี่วันนี้ก็เพิ่งพูดไเองว่าทานอาหารให้ทานช้าๆนะทานใช้าไม่ต้องทานเร็วนะมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวเกิดสติไปด้วยนะมันก็จะได้ไม่เพลินไปในรสอาหารเนะี่ยถ้าใครฝึกได้ตรงรสอาหารได้เนะี่ยถือว่าก็เก่งนะเก่งมากเพราะมันสามารถที่จะไม่เพลินไปในรสชาติอาหารนะแล้วกลับมารู้สึกตัวได้นะถือว่าเป็นบัตรยากที่สุดเลยนะในขณะเราทานอาหารนะ สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถทำได้ทั้งวันอยู่แล้วนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่เราเข้าครัวหั่นผักนะทำกับข้าวทุกๆอย่างเนี่ยเราสามารถรู้สึกตัวไปได้ตลอดเลยนะรู้สึกตัวไปบางทีเราอาจจะไม่รู้ทางกายหรอกแต่ใจเราก็สังเกตได้ออสังเกตได้ไวขึ้นนะเรื่องการสังเกตทางใจเนี่ยมันเป็นจุดที่ว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะบางทีความรู้สึกตัวเนี่ยเราอาจจะรู้สึกไม่ได้ตลอดหรอก แต่ความรู้สึกทางใจเนี่ยเราจะกลับมาได้เร็วขึ้นนะอย่างเช่นเมื่อก่อนเราเป็นคนขี้งุนงิดขี้โกรธเวลาเรากระทบเออใครมานินทาเราใครมาว่าเราหรือใครทําให้เราไม่พอใจแสดงอาการไม่ทำให้เราไม่พอใจต่อหน้าเราเราจะรู้สึกมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะแต่ถ้าไปบัตรเป็นระยะหนึ่งเราจะสังเกตจิตเราได้ไวขึ้นเออคือสังเกตว่ามันมันเริ่มที่จะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วนะเอ่อสังเกตมันเริ่มที่จะมีความไม่พอใจเล็กๆเกิดขึ้นแล้วเนะี่ย คือสังเกตได้ไวเนียการสังเกตได้ไวนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจิตมันสามารถที่จะรู้สึกตัวได้เร็วนั่นเองนะรู้สึกตัวไม่ไม่ใช่หมายความรู้สึกแต่ทางกายแต่คำรู้สึกตัวนี่มันรู้ทางใจด้วยนะก็คือมันรู้สึกตัวได้แล้วว่าเราขณะนี้เรากำลังเป็นอะไรอยู่นะถ้าจิตเราแค่เราสังเกตจิตเราเท่านั้นเองนะเราจะรู้ว่าเออสติเราเนี่ยมันไวขึ้นมาแล้วนะ การนี้เราแค่รู้ว่าออขณะนี้เรามีอารมณ์อะไรอยู่แค่เรารู้นะไม่ต้เงไปละมันหรอกอันนี้ถือว่าเราก้าวหน้าแล้วนะเพราะฉะนั้นการก้าวหน้านี้ไม่ไม่ ห, หมายความว่าเราปฏิบัติจนอ า, อาจจะเห็นรูปเห็นนามาหรือว่าต้องได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ในระดับที่คิดว่าหน้าพอใจในระดับพวกเราแล้วเนี่ยก็คือแค่สังเกตเท่านั้นเองว่าขณะนี้จิตของเราในกำลังมีอะไรเกิดขึ้น ใ, นในในใจที่มันไม่ผิดปกตินะมันผิดปกติรรู้ทันทีเลยนะไม่ว่ามันจะ อชอบหรือว่ามันจะไม่ชอบนะยินดีหรือยินร้ายหรือหงุดหงิดในใจนะหรือว่าเกิดความที่เรียกว่าความที่มันนิดเดียวกระดิกนิดเดียวนะถ้าเราสังเกตตรงนี้ได้เนี่ยถือว่าเก่งแล้วนะเก่งมากเลยนะในตรงนี้นะพอเราสังเกตในนี้ได้ปุ๊บเนะี่ยจิตมันจะคลายตัวเองนะมันจะคลายไปเองเขาเรียกว่าลู้เฉยมันจะคลายไปเองนะแต่ถ้ามันมันไม่ยอมคลายก็ไม่เป็นไรนะเราก็ฝึกที่จะทิ้งให้เร็วก็คือการทิ้งอารมณ์เนี่ยให้เท่ากับกระพริบตานะ เคยมีผู achts, ้ที่อายุมากนะผู้ที่อายุมากผู้ที่อายุมากก็เช่นมาลุงอยบุตรเนี่ยมาลุงกยบุตรบอกว่าเป็นผู้ที่มีอายุแล้วก็ถามพระเจ้าบอกว่าข้าพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่แก่เท่าแล้วเนี่ยควรจะปฏิบัติธรรมอย่างไรจึงจะได้ผลเร็วนะพระเจ้าก็ทรงบอกว่าก็คือการไม่ไปเพลินในลมต่างๆนะอย่าไปเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงนะให้รู้ทันในลมต่างๆให้ให้ไวนะ แล้วก็ทรงบอกว่าเออเห็นก็สักเลเห็นได้ยินก็สักเล่ได้ยินรู้ก็สักเลรู้ทราบก็สักทราบนะก็คือรู้เฉยๆเท่านั้นเองก็พอแล้วนะสิ่งเหล่านี้บอกว่าเออปฏิวัติมิถีนเนี่ยมันก็จะเร็วนะซึ่งก็ไปตรงกภพายะเนี่ยเพราะว่าพระพายะก็ถามพระเจ้าอย่างนี้เหมือนกันนะในเรื่องการปฏิธรรมพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมเพียงสั้นๆว่าเออเห็นก็สักเลเห็นได้ยินก็สักเล่ได้ยินรู้ก็สักเล่รู้ทราบก็สักเทราบเมื่อนั้นท่านจะว่างเปล่อยู่ตัวตนท่านจะไม่มีในโลกนี้ ท่านจักไม่มีในโลกหน้าท่านจักไม่มีในโลกทั้งสองนะฟังธรรมอันนี้พระพายาก็บรรู uh, uh ้เป uh, uh, know ็นพระรหัสเลยนะอันนี้จร uh, ิงๆแล้วมันก็เข้ามาสู่ในจุดนี้ว่าอาการที mm ่เราสักตะว่าก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะรู้เฉยก็คือการที่เราไม่ไปเพลินในรมทั้งหลายเราเห็นก็สักตะว่าเห็นนะไม่ไปเพลินในการที่เราเห็นได้ยินก็สักแตะว่าได้ยินไม่ไปเพลินในการได้ยินนะคิดก็สักตะว่าคิดไม่ไปเพลินในการคิดต่อนะแค่อนี้เท่านั้นเองนะมันก็ไม่ก็จะวายนนการทิ้งลมที่มันวัยนะ จิตจะทิ้งอารมณ์มันเองแค่เราไม่เพลินนี่ก็คือเป็นการทิ้งอารมณ์แล้วนะตรงนี้ก็คือสิ่งที่ก็ขอฝากทุกท่านไว้ในตรงนี้ว่าออถ้าเราปฏิบัติแล้วเนี่ยแค่เราสังเกตอารมณ์เราได้ไวเท่านั้นเองนะว่าจิงเรามีอะไรที่ไม่ปกตินิดเดียวนะเราสังเกตได้ไวถือว่าเราก้าวหน้ามากลนะาแล้วนะเอาละก็ขอทุกท่านเนยจริญธรรมยิ่งไป เ, เตรียมตัวกราบพระ